أو ذ ب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم อ ب บบีช رحلي صدري وييسرلي أمري وحل العقدة من لساني لفقه و قولي اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ر, ر ب ا ب ن ا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين أبنا آتنا ملدا كرحم โอ้ยแล้นาม่เอ็มรินารัฐสภา alhamdulillah ชูคอร์ตอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกนะฮะเมื่อตอนกลางวันเห็นประกาศของสำนักจุฬารัชมนตรีเรื่องแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดก็ได้ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดแล้ว ก็ให้เป็นไปตามอ่ของสำนักนายกเนี่ยเขาก็ประกาศมาตั้งแต่วัน2ี่สิบเก้ามยี่สิบเก้ากันยาว่าเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งก็ยกเลิกมาตรการต่างๆทางสำนักจุฬารัชมันตรีเองก็ได้มีประกาศออกมาแล้วก็าร้องห้ามด้ลยนะสุขกตุลลกสุภาราตตาอาลลานะครับอ่เราจะได้ใช้ชีวิตปกติมากที่สุดก็ไม่ไม่ได้เป็นข้อข้อขัดเขินแต่อย่างใดแล้ว ทีนี้ก็อยู่แต่ที่แต่ละคนแล้วว่าจะต้องระมัดระวังกันนะครับรับผิดชอบในอสมมุติว่ารู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นคงเป็นไขอะไรก็ต้องดูแลตัวเองแล้วต้องรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะไม่ให้ไปติดกับผู้อื่นก็แล้วกันอีกชอบละนะครับแล้วพร้อมกันพร้อมกันนั้นเราก็ขอดูอาว่าอย่าให้โรคร้ายต่างๆได้กลับมาหาเราอีกอัลลอฮฺเมื่อนานาอูซูบิกะ จากเบรซ์และจุนนุนและจุดามและจา ا สิ่งเลวร้ ا ยอ uh, ا ل นๆอเมนพระเจ้าของโลกและเรามาดูสุรษูร่าสุรษูร่าในอความนีมากวันนี้สักสองข้อคก็พอเพราะว่ามีเนื้อหาที่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมมาก เอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอายะที่ประทับใจมากาที่ประรออินชาอัลลอ์นะครับอายะที่สิบสามจริงๆแล้วถ้าคือสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกดูแล้วมันยาวเกินไปเนาะอาจจะเอาแค่สักสองอายะท์ก็คือสิอาบสามกับสิบสี่แบ่งครึ่งสิบห้ากับสิบหกเดี๋ยวเราค่อยอ่านสัปดาห์หน้าอินชา Allah. อัลลอฮ์อัลชูรออายะที่สิบสามนะครับ ถ้าเราดูในเล่มภาษาไทยนี่จะเห็นว่ามีคำอธิบายยาวเลยนะผมเองกอ็อ่านไม่จบแน่เลยถนะ้าอ่านคนเดียวน้องต้องไปอ่านเองนะมีอธิบายยาวมากเลยนะครับตั้งแต่หน้า 2,430 จนถึง 2,436 นะประมาณ 6, 6หน้ายาวๆเลยนะเป็นอายัดที่สำคัญมากมาดูกันว่าเป็นอายัดอะไร أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ا الذي ีَเรَอَท ي ศแด ا พระอ إ ค์และ ا ه ่เรา و ุทิ ในมุ่งมั่นและไม่แตกต่างรกบอีมไ Allahu yajtabi ilaihimayysha وyahdi ilaihimayyuni ฟรั م งอูอิลลาหมินบัดม้าจามอห์มุลกลิมอิลลาหมินบัดม้าจาม بَغْيًا ัลกิลม์บางย ن เบ و ห و َ ا ك, ك أ ل หลาคัลมัตุซับควตมิรร ب บบ ك َาอิลลาอาจัลิ มุซมัลลัคดิอาบินอ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن ْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ م ُ ر ِ ي ب ٍ <ت ص في ق> الحمد لله ما شاء الله الحمد لله อายัดนี้เป็นอายัดที่อุลมาตั ت ซีรบางท่านบอกว่าเป็นอายัดที่ยิ่งใหญ่มากแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามเป็น نعمة ที่ใหญ่หลวง شرع لكم من الدين الله ت ع ا ل ้ نندي ให้ช nah, ัริยาต์ได้ก um uh um ําหนดชั่รชาระก็คือชัริยาต์ริคืออะไรเส้นทางนะชัริยาต์ก็คือเส้นทางในการใช้ชีวิตของเราระบบในการดําเนินชีวิตของเรานี่คือชัริยาต์เราแต่ละเป็นผู้กําหนดศาสนาที่เรามีใช้อยู่ทุกวันนี้มาจากใครมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดชาระอัลลอคุณมินัดดี อัลลอฮฺตาลาเป็นผ al ู้กำหนดศาสนาเส้นทางนี้นี่แหละจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรามีศาสนามาจากอัลลอฮฺสั่าดิษฐ์บอกว่ายังไงบนี่เป็นเนื้อที่ใหญ่หลวงมากที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงได้พูดถึงให้เราได้รู้สึกว่าการที่เรามีศาสนาอิสลามเนี่ย Kenakmati yang baik, Allah Hu Akbar. Sosana ini, mih puna lakonan yang ngai, mah, duga tilanit, tilanit ngapai tilasatap. Ma, tila tila tila Ma wassalbihi Nuh. Sosana Islam ni, pen sosana yang Allah Taala dah pernah sengsia Nuh magkun lagi. Mashallah, bukan sosana yang terjadi baru. ที่อยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมามาทำมาทำศาสนาใหม่มาประกาศศาสนาใหม่ไม่ใช่เป็นเนื้อหาเดียวกันอ ن شرع ل ي ه م من الدين خير الأديان وأفضلها و أ ف ض ه ا ز ك ا ه وأطهرها دين الإسلام الذي شرعه الله ل ل م س ت ف ي ن المختارين من عباده เป็นศาสนาที่อัลละฮฺตรักหนดขึ้นมาให้กับบรรดาคนที่เป็นบรรดาคนที่ดีทั้งหลายในโมบาวของพรบัลชระฮอลลอฮิยาร์ลชิยาร์ะฟวะวะฮมลุลอาซมมินลุรัลีนัลมดกูรีนาิฮีลอาใน้อนี้นีนบีทังหมดเี่คนเราลองนับดูน่มาวัซซาบีฮีนูฮสสนาฮอมโน วันที่เอ ي ให้นาอิเและเป็นศาสนาที่เราได้ใ nah, ห so, ้话ย权กับเจ้าตรงนี้คือใครมูฮัมมัดเพราะว่าอัลลอฮ์ตรัสการ์มังพูดกับท่านเบบีมูฮัมหมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมสคนและว่ามาอาศัยบอิบราฮิมเป็นศาสนาดียวกันกับของอิบราฮิมว่ามูซาว่าอิสสรุปแล้วกี่คน ห้าคนห้าอัมบ nah, nah, ียะนบีห้าท่านที่อัสสลามพูดถึงเป็นนบีที่ได้รับการขนานชื่อว่าเป็นอุลลุลอัจมอุลลุลอัจมีนะนบีที่เราต้องรู้จักอ่าเวลาตอนที่เราเรียนตัดีกาหรือว่าเรียนฟารุตุอีตอนเด็กๆเราให้ท่องนะเจ๊กูให้ท่องว่านบีที่เราต้องรู้จักนี่ทั้งหมดกี่คนยี่สิบห้าคนใช่ไหมก็นับไป อาดามูอิดริสอะไก็ว่าไปนะครับในจํานวนยี่สิบห้าคนที่เรารู้จักจริงๆแล้วนบีไม่ได้มีแค่ยี่สิบห้าคนนะมีเยอะกว่านั้นแต่ที่เรารู้จักชื่อยี่สิบห้าคนและในยี่สิบห้าคนที่เรารู้จักชื่อเนี่ยมีห้าคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอ่าจะเรียกอะไรเป็นอูลุลอาซบีมินารุสุลเป็นหัวหัวหน้าของบรรดานัลี ถ้าคนนี้มีความพิเศษมากกว่าคนอื่นอื่นถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีนบีนุชพันแรกเลยมีความพิเศษกว่านาบีอืเพราะว่าเรื่องราวของนบีนุชเนี่ยเกิดเรื่องราวใหญ่โตหนึ่งพันปีหลังจากที่มนุษยชาติกำเนิดึ้นมาหลังจากนาบีอาดัมเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่เคยมีชิริกก่อ น, นบีนุชมาพอเกิดชริกปุ๊บนบีนุชก็มา และในยุค ข, ของท่านนบีนุ้กเกิดการการอะไรการชำระล้างอาซาบทเทอตะตะลงมากับมนุษยชาตินั่นก็คือน้ำท่วมโลกเพราะฉะนั้นนบีนุ้กจึงเป็นหนึ่งในนบีที่โดดเด่นในเรื่องการด่าวาดภาพชัดเหตุการใหญ่โตนะครับมาถึงนบีอิบรอฮิมอบีอิบรอฮิมเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์เช่นเดียวกันเพราะว่านบีอิบรอฮิมเป็นอบุลอัมบียะ เป็นพ่อเป็นบิดาแห่งบรรดานาบีเพราะลูกหลานของนบีอิบรอฮิมเนี่ยกลายมาเป็นนบีหลายคนลูกของนบีอิบราฮิมมีสองคนนั่นก็คืออิสฮากับอิสมาอิลสายของอิสมาอิลออกมาเป็นท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมส่วนสายของอิสฮากเนี่ยออกมาเป็นยาคุบมาเป็นอือยูซุปหลังจากนั้นก็อพยพไปที่อียิบที่อียิปเขาจะเป็นมูซ Pen Harun, langcahan apa aja? Kamati Filistin, macam pen Dawu, pen Yahya, pen Zakaria, serta macam pen Isa alaihi salam. Macam mana cengehuah? Ibrahim, pen pen Abdul Ambia, pen curi yang komprovisa, secara menurut ikhtiar, pen yang mana menolong. Ulul Azmi min al Rusul, lainan antislus Musa alaihi salam, kau pen punam menganda kaum Yahudi, kau. ีอัลลอฮฺ ت ع ประทานตาวรรษลงมาให้กับพวกเขาแท่อมสุดท้ากือท่านอิสาห์ ع ل ي ห้าคนนี้อัลลอฮฺ ت ع ا ให้เกียรติเพราะว่าได้มีวิร ก, กรรมต่างๆที่ได้รับการเชิดชูจากพระองค์เพราะฉะนั้นหลักๆที่บรรดามนุษยชาตินับถือเนี่ยจะอยู่รวมอยู่ในหานี้ศา ส, สนาของนบีทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าค น, นเนี่ยเนี่ยอัลลาอบอกว่า ศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่ละตัลเคยชารีอะต์หรือเคยกําหนดให้กับนุเคยกําหนดให้กับอิบรอฮิมเคยกำหนดให้กับมูซ่าเคยกำหนดให้กับอีสรและกําหนดให้กับมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยเพลาวะเพลาวะศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือศาสนาเดียวกัน ศา ส, สนาของ Allah ที่ประทานให้กับบรรดา ن บีทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วคือศาสนาเดียวกันศา ส, สนาอิสลามคือศาสนาเดียวกันของบรรดา ن บีแต่ว่าพอผ่านยุคไปเดี๋ยวมันจะมีอายัดที่พูดถึงของการที่แตกออกไปเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเกิดการเรียกว่าเป็นศาสนาเอ่อยะฮดูดีเกิดการที่เขาเป็นศาสนาโนซรอเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นแล้ว แต่เริ่มต้นเริ่มแรกเริ่มเดิมทีนะครับในเรื่องต่างๆในเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนาเนี่ยบรรดานาัลลทั้งหมดนะครับมีศาสนาที่เป็นรากฐานจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นรากฐานเดียวกันรากฐานอะไรอลัอลลอฮฺประทานว่าอยูลงมาให้กับตัวประทานว่าอย่างไงมีคําสั่งว่าอย่างไง Sesana kongno ni Allah tak laksanakan yang ni, ah? Kamu sangsi pada nabi tu? Kon mungkin kamu lalai? Allah tidak bersekutu dengan sesiapa. Allah tidak melayani sesiapa. Allah tidak mengutuk sesiapa. Allah tidak menghukum sesiapa. Allah tidak menghina sesiapa. Allah tidak menghina sesiapa. Allah t a k m e n i l l a l l a h a n i n a a p a l l a h t i n g h a s e s p a a d i t a a l a t a a l a p i a n k a s e s p a a n g k a s a l a i l a h a i l l a l l a h n a s i k m n n a i l a h i ไม่ได้ชักชวนประชาชาติของตัวเองด้วยคำกล่าวนี้ทุกคนเชิญชวนประชาชาิอุมมะของตัวเองไปสู่หลักการนี้ทุกคนเลยหลักการเตาอีโต่อ Allah Subhanahu a t a a ตั้งแต่นบีนูม์อ่านมัยไม่พูดถึงนบีอาดัมเพราะว่าสมัยนบีอาดัมมันยังไม่มีการหันเหอ อ, อกไปจากศา ส, สนาที่ที่อย่างแต่นบีอาดัมลงมาเนี่ยเป็นมุสลิมทุกคนทุกหลางก็เป็นมุสลิม มาเกิดการเบี่ยงเบนในยุค ข, ของสมัยน บ, บีนุกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้พูดถึงน บ, บีอาดัมบรรดาหนักศิลป์นกัน ก, นกวิชาการอุลมามะบอกว่ารอซูลคนแรกไม่ใช่อาดัมรอซูลคนแรกคือนุอาดัมี่เป็นแค่น บ, บีอเอาบทบัญญัติมันจะเอาลอบสุภาเอาตะลาก็ใช้กับลูกหลานของตัวเองยังไม่ได้เกิดการบิดเบือนยังไม่ได้เกิดการเบี่ยงเบนระหว่างมนุษยชาติก็เลยเถือว่าเป็นน บ, บี แต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นรอซูลเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยก็คือนู์อะลัยฮิสสลามเพราะว่ามนุษยชาติเริ่มเบี่ยงเบนออกจากอากีด์ตะศัตรูอดในสมัยของดับเบุลดอ่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเริ่มนับนูฮเนี่ยเป็นรอซูล ค, คนแรกรอซูลทุกคนอัลลอฮฺอัลอุบะฮไม่มีใครเลยที่ไม่เรียกร้องไปสู่เตาเีตทุกคนเรียกร้องไปสู่เตาเฮหมด نبي محمد صلى الله عليه وسلم ละตั ed, u, il allah, ah, ๋ลละก็ส ja ังใหตันเด็กเรากระดามุชริกีนไปสู่ตัวฮิดไปสู่ละอิลล่าอิลล allah อันหบุบุลละวัสดุบุตรารุตจงเคารพอิบะดะต่อ a l l a จงหลงหัจากสิ่งต่างๆที่เป็นตารุตจาก a ب ح ا ن ه และ ا ل ى สิ่งที่ท่านนบี Muhammad เอามาเนี่ยเป็นของใหม่ไหมมุชริกีนจะอ้าวว่าเป็นของใหม่ได้ไหมไม่ได้ ทุกคนนบีทุกคนตอนน้นนี้เนียพร้อมไปสุตัวอหิบัตหมดเลย subhanallah ฟะดีนุลลัลลิชร่างของอัลลอฮฺอันเนี้ยเดี๋ยวูตรงนี้มีคาพูดมีคาตับซสียที่ยาการอ่านให้ฟังอันนี้มีฮดิในตักเีันกสียเนี่ยก็ีบอกว่าอย่างไง วัดด ي ن ุที่เจ้าตัวที่รุ่ ه สลทศาสนาที่บรรดา ر س ูลทั้งผู้นับหมายคืออะไรหัวอิบะดาตุลลอฮ์อัลฮะห์ละชริกะละศาสนาที่บรรดานับีินัมฟพร์ทุกคนนี้ก็คือให้เคารพพักดีต่อละตัลลาเพียปพระองค์เดียวโดยไม่มีการตั้งพระที่สุบฮานัลลอฮ อเมนกับท nah, ah uh il ี่อัลลอด้ตรัสว่า“วมา رسلنا من قبلك من ا ل ر เราไม่ได้ประทานให้กับรอนน้าเจ้ายกเว้นวะฮยุให้กับพวกเขาว่า “لا إله ล ل ا أنا ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าคืออัลลอเท่านั้นฟ้บูดูจงเขารับดีต่อฉันต่อข้าเพียงพระองค์เดียว وفي الحديث ใน حديث ของขุนพันนาบี صلى الله عليه وسلم ท่านเคยพูดว ok ่า “نحن مع معشر الأنبياء أولاد الله د ي ن ا واحد” พวกเราบรรดานาบีเนี่ย uh, นี ab, wa, ่ศาสนาเดียวกันดีนนน่ะว่านี่คือเป็นหลักฐานที่จะบอกว่าอชสซาลาฮพวกเรารู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราได้ยินแบบ ศา ส, สนาที่เราคิดถืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาของพวกเราพวกเดียวนะเป็นศาสนาที่มีสายสืบสืบพอดอดยาวนานไปจนถึงใครอะไปจนถึงมนุษย์คนแรกไปจนถึงบิดาคนแรกของเราศา ส, สนาของเราก็คือศาสนาของอาดัมอะเลฮ์มุสลัมไม่ได้ไปจบที่แค่มุฮัมมัดนะอิสลามของเราไม่ได้จด ไมไปจบอยู่ที่แค่อั่นบัตรสล็อตหรือหอยหรือสันลังไม่ใช่รากฐานของมันจริงๆย้อนกลับไปพจนถึวันแรกที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินนี้กําเนิดในสวรรค์ด้วยซ้ำนั่นก็คือศาสนาที่เรารับมาจากอัลลอฮฺบ่าวตาอัลลให้กับนบีอาดัมแล้วก็สืบทอดลงมาอย่างบรรด้นบีทุกคนรากฐานเนี่ยอันเดียวกันหมดเลยมีความแตกต่างตรงไหน มีความแตกต่างกันในเรื่องปลียย่อยแค่นั้นเองราบฐานเดียวกันแต่ชารีอะต์ลิคุลินจัลนามินฮุมชิร์ะตันวะมินอาจัต Allah กลาบอกว่าแต่ละประชาชาติอาจจะมีบทบัญญัติบญญางอย่างที่เหมาะสมกับคนในยุคนั้นๆแต่รักฐานอันเดียวกันข้อปลียย่อยอาจจะแตกต่างกันอย่างเช่น อาละมาต t ในสมัยอดีตอาละมาตแบบไห umm? นการชำระทำความสะอาดองค์การนาจิสของคนในอดีตอาจจะแตกต่างกันเรื่องฟิตรเรื่องฟิโตะในสมัยนั้นเรื่องฟิโตะเรื่องฟุโรก็คือเรื่องฟิโตะเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างการถือสินอดของคนในสมัยอดีตกับการถือสินอดของคนในยุคประชาชาติของอาละมม d t อาจจะมีความแตกต่างกันแต่เรื่องรากฐานเรื่องความเชื่อ อ่าสมัยก่อนบอกว่าอัลลอฮ์พระองค์เดียวหรือสมัยเราบอกว่าอัลลอฮ์พระองค์เดียวสมัยก่อนเจ้าบอกว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจอากอัลลอฮ์อีกได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นไปได้เรื่องรากฐานมีรากฐานเดียวกันแขนงหรือกิ่งก้านอาจจะแตกต่างกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันอัคีมุ ด, ดีน ولا تفرق فيه ว่าตาลาบอกว่าพระองค์กําหนดเนื้อหาของศาสนาเนี่ยมาจากเนื้อหาเดียวกันจากนูจากมุฮัมมัดจากอิบรอฮีมจากมูซาจากอีซระและพระองค์ก็สารว่าอันอัคีมุดีนี่คือคําสั่งพระองค์กําหนดศาสนานมาให้แล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อศาสนานี้คืออะไรนี่คือคําสั่งมีศาสนานแล้วเราต้องทําอะไรกับศาสนานี้ Jadi orang tanda ke aqimuddin. Pendam sangka Allah aqimuddin. Aiy, amar kum antuqimu. Jami'ah sharar al-din, usulah wa furuhah. Tanda kah, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? Kehaih, kah? k e h i h a h a h kah? a i h a h k a i h k Kehaih, kah? i h i ถ้าเราใช้กับสิ่งที่เป็นวัตถุเห็นไหมสิ่งที่มันนอนอยู่ไม้นี่มันนอนอยู่เอายกขึ้นมาให้มันยืนตรงอันนี้ว่าอีกอ้มอมะอ่าจะใช้คําว่าแต่ว่าใช้กับสิ่งที่มันเป็นนามนธรรมก็ใช้ได้ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมพวกวัตถุพวกอะไรก็คืออะไรที่มันเอียงเอียงให้มันตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้กับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ความหมายก็ใกล้เคียงกันอคิมุดดีก็คือทําให้ศาสนาของเราเที่ยงตรงให้ทำโรงศาสนาเอาไว้ในหลักเกณฑ์หลักการของมันให้ตรงที่สุดนี่คือคําว่าอคิมุต ด, ดีปฏิบัติตามเนื้อหาต่างๆในศาสนาเนี่ยอย่าให้มันเอียงไปทางขวาหรือเอียงไปทางซ้าย เอียงไปทางขวาสุดตรงจนเกินไปเกินเลยขอบเขตไม่ได้หรือเอียงไปทางซ้ายย่อนยานจนเกินไปอไม่ได้พยายามทำให้การทำรงศาสนาของเราตรงที่สุดกับชร r ัตของล l l a กับสุนนะแนวทางของบรรดาาบีสุดแนวทางของท่านราู Rasulullah ซ ล, ล นี่คือความหมายขอคำว่าก้มามตุดด้ดติไม่ว่าจะเป็นเรื่องรากฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอรุูหลักเกณฑ์ก็คือเรามีอยู่แล้วมาตราฐานในศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่คนที่เอาไปใช้เนี่ยบางทีมั น, ม น, น, มนบางคนก็ใช้แบบนี้บางคนก็ใช้แบบนี้เราจะเอาอะไรมาว่าด่ะเราก็ต้องเอามาบรรทัดของศาสนาที่แล้ลมคม ให้เราใกล้เคียงที่สุดพยายามดึงตัวเองให้ใกล้เคียงที่สุดกับมาตรฐานของศาสนาเข้าใจไหมครับอันนี้คือตดอันตุีมุมีชรดอุซูลุวะฟุรูฮตีมบิอันฟุตุีมนบิอันฟุซิุมอามชัยกราเฮดูและก็พยายามได้ถ่ายทอด ได้เผยแพร่ได้เชิญชวนให้คนอื่นมาใช้ด้วยคําสอนของศาสนาเนี่ยเราใช้ของเราเองแล้วเราก็เชิญชวนให้คนอื่นมาใชา้มาอยู่ในร่องรอยของศาสนาพร้อมกับเราด้วย ว, ว, ว่าจะวัวต่ววาจะ تعاون น, น, นู่นอกันอ่านี่คือหน้าที่ของเราพี่น้องครับมาอัลลอฮฺ เป็นคำสั่งที่มีพลังมากคำสั่งง่ายๆบอกเล่าเหตุการณ์บอกเล่าความจริงว่าศาสนาเนี่ยนะเป็นศาสนาที่เป็นศาสน า, นนสสนานแบบไหนมาจากไหนรากเหง้าของศาสนาอิสลามมาจากไหน่าบอกให้เรารู้ให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจกับ s h a อ i a น, นี้กับศาสนานที่าล l า a h ชั ด, ดชให้กำหนดให้เป็น Shariah ให้กับเราแต่ความภาคภูมิใจของเราเนี่ย มันจะไม่เกิดถ้าเราภูมิใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเนื้อหานั้นเข้าใจไหมฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมแต่ตัวเองทําอะไรบ้างอ่ะศา <c oughs> ส, สนาของฉันคืออิสลาม พ, พูดได้เหมือ น, นกัแก้วลบขุนทองแต่ทามว่าปฏิบัติอะไรบ้างอ่ะคือ <c oughs> เราได้แต่รู้สึกภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของเราโดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับศาสนาแล้วเราจะภูมิใจกับอะไร เข้าใจเราต้องมีส่วนกับศสนาในด้วยไม่ใช่เอาแต่ภูมิใจแฉะละมาต่อหมเอาผมไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไ่าอัลล์ตาลาสั่งใช้อะไรก็ไม่ทอัลลอ์เล่เทเป็นบทชีของตัวเองแล้วปากนี่พูดออกมาว่าฉันเนี่ยภูมิใจที่ตัวเองเป็นมุสลิมเอาอะไรภูมิใจขอโทษอัสสาอะลัยนะครับคำสัง่งของอัลลอก็คือถ้ามีก็มาคุยต้องช่วยกัน ช่วยให้เราเองได้อ um. ิกตอมาตื้นดี้ได้กำลงศาสนาแล้วก็ช่วยให้สังคมช่วยกันรณรงให้ทุกคนประสูลศาสนาอัลลอฮะลัยฮิวราวะตะรฟีอัลลอะบอนนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องคบทวนเยอะๆเออรออย่าได้แตกแยกกันเรื่องศาสนายังไงเอ่ย อย่าได้แตกแยกกันในเรื่องศัสนาก็คือนี่แหละที่บอกว่าพยายามกลับมาสู่หลักการและมาตรฐานของอิสลามให้มากที่สุดในคำอธิบายของอุลมามะบางท่านโอ้นีผมได้ฟังกับเสียของเชโอัสไซนีเขาบอกว่าการเห็นแตกแยกกันในเรื่องทัศนะเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่รลีไม่ได้ทีเ่เราเห็นนะว่าเนี่ยอายัด บ, บอกว่า อย่าแตกแยกกันอ้าวแล้วทําไมเราเห็นว่าเรามีมัสฮับนู่นมีมัสฮับนี่เยอะแยะไปหมดในอิสลามมีมัสฮับฮานาฟีนี่มัสฮับอาลิกีมีมัสฮับอะไรนะชาฟีอีมีมัสฮับอัมบัลีไอ้การที่มีมัสฮับเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าเป็นการแตกแยกเป็นการเรื่องทัศน์การแตกแยกเนี่ยเราใช้คาว่าฟาโร่ฟาโร่ก็คือแตกจากเส้นทางหลัก ไปสู่เส้นทางอื่นเลยแต่ถ้าไม่ได้แตกออกไปจากเส้นทางหลักเพียงแต่มีทัศษะที่เห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ทุกคนยังอยู่บนเส้นทางหลักและกําลังจะไปในจุดหมายเดียวกันไม่เป็นไรอันนี้ต้องแยกต้องแยกระหว่างเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องกับแตกออกไปเป็น พวกอื่นอยู่ในเส้นอื่นไปเลยเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าไปในทิศทางเดียวกันทิศทางไหนทิศทางของการประกาศเต็ที่ต่ออัลลอฮ์ทิศทางของการอิกร่าต่ออัลลอฮ์ทิศทางของการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การพื้นปรุสุนนะของท่านรอสุลลอ ullah ซ ล, ล, ล, ลแต่ว่ามีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องติดย่อยบางเรื่องไม่ถือว่าผิด สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเราเอาประเด็นที่เราเห็นขัดแย้งกันในทัศนะบางทัศนะเนี่ยไปสู่สาเหตุของการแบ่งพักแบ่งพวกอันนี้ไม่ได้จะขัดแย้งกันย่างไรหัวใจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวทัศน์จะไม่ตรงกันยังไงถ้าสมมติว่าอิสระแล้ว ผหัวแล้วเวนิชใจแล้วโอเคมันยังไม่ตรงกันหัวใจจะแตกไม่ได้หัวใจจะต้องรักษาจะต้องรักษาให้มันกลมเกี่ยวกันสิ่งที่อาาลัลต่านะต้องการจากเราก็คือพยายามรักษามันเป็ปกตินะแม้กระทั่งในสมัยของท่านนบีในสมัยของมด้าฟาบาเองเนี่ยถามว่ามีความเห็นขัดแย้งกันไหมอับดุอาบบะษ์รดิอัลลอฮ์อัลฮุ ในบางเรื่องก็ขัดแย้งกับท่านอูมาร์หรือขัดแย้งกับท่านยังไงใช่ไหมรับอุทยาล้องันฮะในบางทศนั้นในบางเรื่องแต่ทาร่าตะลุมพอนกันไหมเราสาบไม่มีอันนี mornings, ้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนของต้องไม่กลัวไม่ไม่จะไม่กลัวไม่กล้าที่จะพูดเยอะๆเพราะนี้มันมีประเด็นแบบงที่เยอะมากในสังคมของเราโดยเฉพาะ ในเวทีที่เรามีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นกันอย่างเมามันไม่มีขอบเขตในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโอโ้แต่ละผลว่าพยายามที่จ ะ, ะขัดแย้งกันทางทัศน์ยังไงไม่ให้แตกแยกอันนี้ยเป็นโจทย์ขัดแย้งยังไงเห็นต่างกันยังไงแต่อย่านาไปสู่การแตกแยกการแตกแยกเป็นสิ่งทั่เราตราหนักว่ า, า, าอิสลามห้ามการแตกแยกแต่ว่า การถัดแย้งกันการเห็นได้ตรงกันเป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ได้แล้วแต่ลาก็บอกว่าไม่ได้นะในอัลกุรอานเนี่ยผมไปไปไปหาคาว่าอย่าอย่าถัดแย้งกันในเรื่องศาสนะเนี่ยขัดแย้งกันในเรื่องศาสนะเนี่มันเป็นเรื่องิของมนุษย์สิ่งที่เราแต่ลาห้ามในอัลกุรอาก็คืออย่าแต็กแย้ง ไม่ได้ห้ามเรื่องความเห็นขัดแยง้งระหว่งางศาศนะจริงแล้วมันมีรายละเอียดอีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อย่างค่อนข้างที่จ เ, เยอะแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเดือิทธิแต่พี่น้องเอาแนวคิดกว้างๆไว้ก่อนว่าตราบใดที่เรายังมันอยู่กับเส้นทางของ Allah เส้นทางของา น, นาบีสลุสลต่านเราพยายามที่จะกลับไปสู่มาตรฐานของความถูกต้องตามหลักการ ของอิ Islam, ha, สลามของอัลกิดาของสุนัขอินชาอัลล์เราอยู่บนเส้นทางเดียวกันบางเรื่องบางอย่างที่เราไม่เห็นตรงกันที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเนี่ยอย่าให้มันเป็นสาเหตุนาไปสู่ความร้าฉานที่อัลล์ตํานิเพราะว่าการแตกแยกเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลล์ต้งนิ ในนี้ในมคีนีอนมกแอนอิมดีวะลาตฟรกูฟีไอ้อลลาลาีร์แอลอบิยาอะลัยฮุมุสัลัตอัสลามบลตลาฟอัลัมามะอัลลอฮาได้สั่งเสียบรรดานบีทุกคนให้มีความรองดองและให้อยู่กันเป็นจมาอะ้อกันเนฮาหฺม อันอิราพีวริณติละและพร้อ์ก็ห้ามไม่ให้เกิดความแตกแยกแยกพวกแยกพรรคแยกอะไรต่างๆนา่นแล้วก็หันเหไปจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดิมของบรรดามนุษยชาตินั่นก็คือการกลับไปสู่อัลลอฮ์การกลับไปสู่อักีีตุ์ตวีอัลอาบิลลอฮิั่นละอัลลอมิลาอิวรภะมุราอัลมุชริกี ขมใสวันน um ี้ได้คดีอะไรคบกِบผู้มิชริกินไม่ م ะ إِلَيْهِ สิ่งที่เจ้ากำลังเรียกร้องตดาพวกมิชริกีนเนี่ยเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสำหรับพวกเขาท่านนบีมุฮัมมัดเรียกร้องอมิชริกินไปสูวอะไรเรียกร้องไปสู่อิสลามเรียกร้องไปสู่เตวีเรียกร้องไปสู่การเคารพพักดีของอัลลฮาเาเพียงพระองค์เดียว เรื่องนี้เนี่ยสุฮ่านะล่ะแล้วศาสตราลอกว่าเป็นเรื่องที่ในความรู้สึกของคนที่ไม่ยอมศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอัลลอฮ์จะคนที่มีชีริกอยู่ในหัวใจเนี่ยเวลาที่เราไปเรียกร้องให้เขาทิ้งชีริกนั่นแหละมาสู่ตัวฮิเนี่ยอัลลอฮ์กว่าจะทิ้งได้หนัก ถ้าเราดูปติกาของพระอชคิอย่ในสมัยของนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมทำยังไงบ้างกับท่านบีพยายามเสร็หรือว่าพยายามตั้งกําแพงไม่ได้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเนี่ยเอาดาวะของท่านมาถึงตั้งกาแพงกับตัวเองยังไม่พอนะบางทีเนี่ยไปสร้างกําแพงให้คนอื่นด้วยไม่ยอมไม่เข้ามาเพราะ นี่น ะ, ะตั้งตนเป็นอริเป็นศัตรูกับอัคคีเดชดาวีนี่คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เรียกว่าอะไรอ่ะที่มันอยู่ในหัวเรียกว่าอะไรเรียกเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอาออกยากมากยุติดอยู่กับสิน่นี้แล้วก็อ <c oughs> พอจะาบอกว่าเอาออกไปเถอะผมไม่ได้จะมาบอกให้เราละทิ้ง พรเจ้าของเราละทิ้งประเพณีของเราละทิ้งแนวทางของปุยาตายายเราหรอเนี่ยมาเลยทังสาระข้ออ้างต่างๆนันะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายกัมบูร์าก็ายใช่กันวูรกบรอะาัมุิี่นัแต่โอ้ไม่ไดัแหละเราถึงเห็นปฏิกิริยาของบรรดาคนที่ปฏิปักกับอัลลอ์สุบาะอาละปฏิปักกับตัวีินี่อัลลอ์อัลบาทาได้ทุกอยัง นการที่จะขัดความทาได้ถึงขั้นที่วางแผนทร้ายผู้ศรัทธาทำร้ายท่านนบีสอลตรอัลเลย์อัลาลัมทำร้ายบรรดาสหะบะและวางแผนถึงขั้นที่จะเอาชีวิตทาได้หมดอุบะมะารัตเอตูบิลลาฮ์มินซาลิกอูบิลลาฮ์อิลอิลลอ์อัสตรุลลอฮฺอะตุิล า ก, าากาี่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางทีเราก็ต้องขอบคุณต่อรักอะไรให้มากๆนะที่เราได้รักศรัทธาอย่างไงได้ฮะไม่ใช่เรื่องไหนสำหรับเราเนี่ยคนที่แสวงหาสัจธรรมกว่าที่เขาจะเจอสัจธรรมกว่าที่เขาจะมีความรู้สึกภาษาหรบเรียกว่าอ่อหนาได้คำตอบที่เขาพอใจเนี่ย เขาจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองมากขนาดนั้นนะลองดูเวลาที่เราไปดูอะไรเวลาที่เข า, เ, าเวลาที่ใครเคยด <c li pp le> ูคลิปของสกิรไนท์หรืออะไรเนี่ยเวลาที่เขาโต้อตอบแล้วเนี่ยกว่าที่จะเอาเหตุผลเอาหลักฐานที่ชีล้างข้อมูลต่างๆองอกงฝั่ ง, น, อ ง, องนั้นจนกว่าฝั่งนึงจะยอมรับโดยดุสเดนีโ อ, โอไม่ใช่งาง แล้วเราเป็นมุสลิมโดยที mm ่ hmm. ไม่ต้องมีใครมาโต้กับเราเนี่ยเขาจะไขอบคุณเราแต่ลหรือเนี่ยเราแต่ลาบอกว่ายังไงอัลลอฮฺยัสซิบบอิลฮิมัยยะชาอัลลอฮอัลลอฮทรงเลือกที่พระองค์ทรงประสงคไว้สาหรับพระองค์ให้เป็นผู้ทัดฐาเราถูกเลือกไหมมาชนะเราลูต <Demon ad ises> ัวเราเราพูดถูกเลือก ไม่เป็นผู้ที่ยอมรับศรัทธาต่อศาสนาแบบง่ายได้นะไม่ต้องอาขี้ออกจากหัวก่ไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองอ่ะเราเป็นผู้ศรัทธาโดยที่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องต่อสู้มานนะคนหาว่าอะไรตรงไหนบิดทำลาเราเห็นแสงว่างอย่อหน้าเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องฝากควาอุปสรรคอะไรเลย สุภาพอัลลอฮะบี่อิลฮิมยาชอัลลอฮผู้คัดเลือลายลลอฮฺยดีอิละฮิมะยูนีบและพระองค์ทรงชี้ทางให้กับคนที่กลับไปหาอัลลอฮนี่คือนี่คือข้อเท็จจินันเมื่อคนไหนก็ตามแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่ถ้าเขาต้องการที่จะสแสวงหาทางที่ถูกต้องสักวั น, น, นจะต้องเจอ เาบอกเองเขาจะกาบอกเองว่าเาจะให้ฮ i d a ให้ฮ idayah ก, กับใครให้กับคนที่ต้องการความถูกต้องแล้เวลาที่เราไปดูเรื่องราวของนากบุญชินาบสลาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจุ้มายในชีวิแบบนี้กอนจะหนสนหาความจริงสมยหาความจริงอยากไปรู้อะไรคือความจริงไปดูศาสนา น, นี้ไม่ใช่สุดท้ายมาเถอตั้งแต่สมยัยนั้น ถ้าสมัยนั้นนบีตลลอก็คือยกตัวอย่างเช่นซลมอัลฟาิซีซาลมอัลฟาิซีเป็นคนที่สองมาความสุดท้ายได้เจอกับนบีลลอหอะแบบนีแต่คนอี่เาอยูปัจจุบันในยุคที่เรามีชีวิตอยู่นี่ในยุคนี้ต้องไปฟังดูเรื่องราวคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีหวัวใจบริสุทธิ์เป็นคนที่มีหัวใจเป็นธรรมต้องการความจริงน่ะ ขออยากจะเจอกับความจริงสุดท้ายว่าอะไรจะให้เหตุใดที่ของพี่มีสาแบบนี้อ่ยอดเว้นในคนที่ไม่ได้รับหรเหตุใดก็คือคนที่ปิดตัวเองอะคนที่กั้ัวองคนที่ปิดกั้นตัวเองเหมือนกับนางวชิรีกินะนะอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้รับเหตะใดนะรู้แล้วว่าความจริงเป็นยังไงแต่เพื่อไม่เอาก็จะไม่ได้ในขณะเดียวกันคนที่แสวงหาความจริงแม้ฉันมีอุปสรรคมากแค่ไหนสุดท้าย อ๋อตาลาก็จะให้เขาได้เือนศุภาระแต่ได้อัเดียวจริง ๆ, ๆครับเป็นยันที่ใหญ่มากนะครับพวกเราจะต้องควรอันเนี้เยอะๆเพราะว่าเป็นการประดานาี้เห็นที่ความมุ่งใหญ่ของอิสลามศา ส, สนาอิสลามรากเหง้าของอิสลามเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราต่อศาสนานี้เป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องสํานึกในบุญคุณเจ้าลูกศุภานตะตาลากให้กับเราอย่างไรนะครับดิฉันอัลลอฮฺ แล้วต้องฝากให้ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องภาษาไทยด้วยเพราะว่ามีอะไรละเอียดที่เป็นประโยชน์กับพวกเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และต้องว่าละตัดละจะทำให้เราได้เข้าใจนะครับความสําคัญของการเป็นมุสลิมของการที่จะร่วมรื้นฟูชัยชนะอัลลอฮ์ سبحانه และตัาลัตกำลงรุเส้นนาของกองไว้เกินกว่าชีวิตของเราจะหาไม่อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัลลาตเล่า อ ف ق ลอฮฺอัลลอฮฺ ب و ลลอฮฺอ ا ลลอฮ ل อัล ا อฮฺอัลลอ ي ฺอัลลอฮฺอั ا ل อฮฺอ ل ลลอฮฺอัลล ن ฮ ب อัลลอฮฺอั م ลอฮฺอัลลอ ا ฺอัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ